น, นี้เป็นรายการตอบปัญหาอบรรดาท่านที่ได้ถามปัญหามาขอได้โปรดความเข้าใจไว้ว่าอาสมภาพก็ไม่ใช่นักแก้ปัญหาที่เก่งกาจทละมีความสามารถที่จะตอบปัญหาได้ทุกด้านทุกมุมขอให้ท่านทั้งหลายจงทําความเข้าใจไว้ว่า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 แล้จะขอฝากโยนคขืนไปให้ท่านผู้ถามได้โปรดคิจเจ น, น, นาออกเองการปฏิบัติกรรมาฐานพระพุทธเจ้ายึดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นที่ตั้งนอกจากมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วยังมีสูตรอื่นอีกไหม การปฏิบัติกรรมฐ า, านนั่นส่วนใหญ่ก็ยึดมหาสติประฐานน่นสูตรเป็นหลักแต่สําหรับสูตรอื่นๆนั่นก็มีเหมือนกันในหลักมหาสติประธานสูตรนั้นวิธีปฏิบัติกรรมฐ า, านมีมีพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติบัพภะ สัมปชัญญะบัพพะซึ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการทำสติสัมปชัญญะให้มีพลังสมบูรณ์ขึ้นในสูตรอืนอ่นๆซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติดีขึ้นนั้นก็เป็นอุบายที่เป็นหลักของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันอ่า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 เรื่องเกี่ยวกับมโนโมายด์เทนีตามหลักธรรมะท่านก็มี <c oughs> แต่โมโนมา ย, ท ย, ท ย, ทยดทเทที่ศึกกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นโมโนมายดทเทที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นั้น <c oughs> อาตมาไม่ขอวินิจฉัยแต่การกระทําเท่าเท่าที่ได้พิสูจน์มาแล้ว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 เมื่อจิตของท่านผู้ภาวนานั้นมีอาการสงบเคลิมเคลิมลงไปผู้กล่านำนั้นให้คำแนะนำว่าจงไปดูนรกดูสวรรค์ไปทางโน้นไปทางนี้พบเห็นอะไรแล้วถามเข้าไปให้เขาบอกผลทางไปหรือให้เขาพาไปแล้วจิตของผู้ที่ภาวนานั้นจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้อันนี้เข้าใจว่าเป็นอุบายอันหนึ่ง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 ว่าปฏิบัติจนสิ้นกิเลสปัญหาก็จะถึงพระนิพพานอีกฝายหนึ่งทำบญมากเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังก็จะได้ไปพระนิพพานปัญหาข้อที่หนึ่งนั้นผู <c oughs> ้ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสปัญหาแล้วจนกระทั่งจิดถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง กิเลไม่มีเหลือติดอยู่ในใจแม้แต่นิดหนึ่งอันนี้เป็นพูดถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ว่าทาําบุญมากเฝ้าเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังจะได้พระนิพพานอันนี้เป็นเพียงคาระบา ร, รมีเพื่อเป็นการสนับสนุนบุญบา ร, รมีให้ถึงพระนิพพานตามหลักแห่งบา ร, รมีสิทธัต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 ต้องสำเร็จด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนสามารถเกิดประหาหนะละกิเลสตัณหามาณทิชิละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงได้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงจะถึงนิพพาน <c oughs> มีเงินมากทำบุญให้ทานมากแต่ก็มีกิเลสโ่คโลภ โ, โทสะโมหะมาก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 การที่จะถึงพระนิพพานต้องปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาจนสามารถที่จะทําศีลสมาธิปัญญาให้สําเร็จประชุมลงเป็นองค์อริยมรรตซึ่งมีคุณมีคุณภาพประสิทธิภาพที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภุมจิตภูมิธรรมลาพังไต่เพียงการให้ทานด้วยอาวิรอย่างเดียวไม่สําเร็จพระนิพพานได้ถ้าขาดการภาวนาอาสําหรับปัญหา ของเจ้าของนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ <c oughs> ปัญหาของท่านต่อไปขอถามว่าบางอาจารย์ว่านั่งภาวนากำหนดว่าพุทโ ธ, ธเป็นบัญญัติไม่ใช่วิปัสสนาจริงไหม ปัญหาข้อนี้ตอนนี้ผู้ภาวนาพุโทโธเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาน่าจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> อ่ความจริงภาวนาพุโทโธพุธโทโธเป็นพุธทธานุสติอยู่ในหลักวิชาการของการปฏิบัติขั้นสมถกรรมฐานแต่ถ้าผู้ภาวนาพุโทโธนั้นไม่ฉลาดเพียงพอที่จะ ปฏิวัติจิตของตัวเองให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสจนาไปติดกันอยู่เพียงแค่ความสงบแค่สมาธะเท่านั้นเผื่อไปติดอยู่ด้วยปีติและความสุขซึ่งเกิดในฌานเดียว่าติดสมาธะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินจิตขึ้นไปสู่วิปัสนาอันนี้เป็นความจริงในเมื่อจิตมีสมาธิติดความสุขในสมาธิ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 ส่วนวิปัสสนากรรมาฐานนั้นเป็นกรรมาฐานที่เป็นอุบายฝึกฝนจิตให้เกิดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นแม้แต่ด้วยวิธีการคือการน้อมจิต ไ, ไปพิจารณาอะไรก็ตามเช่นเราอาจจะพิจารณาผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นของปฏิกูลหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา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 พอจบลงแค่นี้อ่าปัญหาของท่านผู้นี <c> ้ <oughs> มีว่าอาัติของพระที่มรณาภาพแล้วกลายเป็นพระาธาตุอัติของผู้ที่มรณาภาพไปแล้วแล้วกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานั้นจะต้องเป็นอัติของพระอริยบุคคล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 มีโครงกระดูกเป็นต้นในบางครั้งในเมื่อจิตวิ่งเข้ามาดูภายในกายแล้วก็มาสงบสว่างอยู่ภายในกายจจตจะมองทะลุ ก, กายออกมามีลักษณะดูเหมือนคล้ายๆกับแก้วปุ่งมีความใสเหมือนกับแก้วปุ่งเพราะฉะนั้นกระดูกของพระอริยบุคคลซึ่งถูกจิตที่บริสุทธิ์สะอาดแท่งเป็นวิหารธรรมอยู่บ่อยๆโดยอิทธิพลของจิตนั้นจะสามารถทา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 เพราะในขณะนั้นจิตสงบสว่างแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ถ้าข้อเปรียบเทียบก็คือว่าขณะที่ว่าพระอริยบุคคลที่ท่านเพ่งดูอาการสามสิบสองร่างกายของท่านจนจิตเกิดเป็นสมาธิรู้จริงเห็นจริงภายในกายแล้วระมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใสสะอาดได้สว่างสวัยไปหมดภายในกายเมื่อตายไปแล้ว เ ม, มื่อทัานบรรลุภาพแล้วกระดูกก็กลายเป็นาธาตุขึ้นมาได้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเท่าไรนับแต่สำหรับนักเรียนมนุษยศาสตร์เพียงเล็กๆน้อยๆอยเพียงแต่คาถาอาคมแล้วไปเสกน้ำมันไปทาแล้วเ ป, เป่าในขณะที่คนแค่ขาหักแขนหัก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 โดก่อนอานนภิกสุภิกสูเนวบาสกุบ า, ส, บบาสิกาอะไรนี่จากมาด้วยจากมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตเจ้าประสูตรในที่นี่ก็ดีพระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจับ ในที่นี้ก็ดีพระถาคตเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีคือสังเวชนิยสถานมีจิตเลื่อมใสแล้วเถืองแก่คำลงชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายไปแล้ว ก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นความจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงถ้าในขณะที่ไปกราบไปไหว้ปู่ชั้นิยสังเวชเนยสถานแม้แต่ไหว้พระพุทธรูปไหว้พระสงฆ์อยู่ในบ้านเมืองเรานี้ก็ดีถ้าไหว้ด้วยจิตที่มีศ ร, รัทธาเคารพเรื่มใสอย่างจริงจังตายลงไปในขณะนั้นเกิดในสวรรค์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 เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของสมเด็จะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานเนียในโมาถึงตอนนี้ <c oughs> อาตมาอยากจะขอให้คติเสอนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวม การปฏิบัติประมาฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอย่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้น